วมะเร็งออกจากตัวมีอีกเรื่องผ่านมาสักหกปีได้แล้วข้าพเจ้าเป็นมะเร็งต้องให้ขค่ีโมแต่ไม่ค่อยมีใครรู้เพราะไม่ค่อยได้บอกใครเวลาป่วยหรือไม่สบายเราต้องการพักผ่อนใช่ไหมข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ใครไปเยี่ยมเพราะจะไม่มีเวลาพักผ่อนพอเพียงอยากอยู่แบบสงบสง บ, สงบการป่วยครั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรม ถึงเวลาต้องใช้นี่เขาพอให้คีโมมาได้ระยะหนึ่งหนังพองก็สงสัยว่าทำไมหนังจึงพองก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วแกะหนังออกมาดูปรากฏว่าเป็นตัวมะเร็งหลุดออกมาเอาไปสแกนดูเห็นเป็นลำตัวสีดำใหญ่เท่ า, มาเมล็ดงาดําแต่ไม่ได้เก็บไว้ยังคิดเสียดายอยู่เลยว่าน่าจะเก็บไว้ดูพอให้คีโม อ, อีกก็มีออกมาอีก สแกนดูก็เห็นสองตัวสามตัวเล็กๆสีดำปีเลยพอพูดให้หมอฟังหมอก็ไม่เชื่อแต่หมอวิไลพันธ์ที่เป็นลูกคุณป้าที่เคารพ ก, กันที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กหมอคนนี้เชื่อบอกให้มาเล่าให้หลวงตาฟังว่าเชื้อโรคออกแล้วคืนหนึ่งกำลังสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านแดงก็ได้ยินเสียงผู้ชายจิตรู้ว่า เขาเข้ามากันหลายคนพวกเขาบอกว่าพวกเรามาให้อโหสิ ก, กรรมจะไม่ทำให้เจ็บปวดอีกแล้วเพราะผู้คุมเปิดกองบุญให้ดูแล้วข้า <St> พเจ้าคิดว่าพวกเขาคงพอใจกับปริมาณบุญแต่ก็ไม่ได้เล่าให้แดงฟังเนื่องจากแดงกลัวผีรุ่งเช้าก็บอกแดงว่าพี่อยากไปพบหลวงตาอยากถามท่านว่าเสียงที่พี่ได้ยินจริงหรือไม่ หรือว่าพี่คิดไปเองปรึกษาหมอหมอก็ให้ขึ้นเครื่องบินมาเพราะเพิ่งทําการผ่าตัดได้ไม่ถึงสองเดือนไปถึงกราบท่านแล้วท่านก็ถามก็เล่าให้ท่านฟังพอสักพักท่านก็พูดว่าเรื่องนี้ไม่เป็นอันที่สงสัยและท่านก็สั่งให้ข้าพเจ้านําอาหารไปถวายที่วัดป่าภูหินร้อยก้อนในวันรุ่งขึ้นปกติข้าพเจ้าเคยไปถวายการรับใช้ที่นั่นบ้าง คือท่านให้นำอาหารไปถวายไปส่งสังฆทานบ้างส่งไปรับใช้ที่นั่นด้วยท่านสุดใจเล่าให้ฟังว่าได้ยินท่านเสียงดังท่านบอกว่าเอาออกให้หมดนะเว้ยแสดงว่าลูกศิษย์ท่านช่วยเอาเชื้อโรคออกให้ลูกศิษย์ท่านเป็นคนทมก็เคยมาคิดว่าใครเป็นคนเอาเชื้อโรคออกให้หนา วันรุ่งขึ้นนำอาหารไปถวายท่านอาจารย์สุนทรทิติโกวัดป่าภูหินร้อยก้อนห่างจากวัดป่าบ้านตาดไปประมาณ18กิโลเมตรท่านก็ถามว่าเป็นยังไงหายแล้วเหรอก็เรียนท่านว่าหมอให้ไปดูอาการแล้วก็ให้ยาอีกและข้าพเจ้าก็ถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์พาเชื้อโรคออกหรือคะท่านก็ไม่พูดอะไรแต่ท่านยิ้มยิ้ม เราก็รู้ได้ด้วยตัวเองว่าท่านพาออกให้และพวกเขาก็มาเอาหัวสิ ก, กรรมจำเอาไว้ว่าถ้าวิบากมาทวงในรูปของเชื้อโรคนั่นแหละเขาจะมาทำให้เจ็บให้ตายถ้ามาในรูปเชื้อโรคขนาดใหญ่ก็แสดงว่าต้องใช้นี่กรรมที่หนักฉะนั้นคนไหนถ้าไม่ทำปานาติบาตก็ไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งกรรมและวิบากเป็นเรื่องที่ให้ผลได้จริงอย่างไม่น่าเชื่อ แต่เรื่องที่เล่าๆพวกเนี้ไม่ต้องไปสนใจมากเพราะไม่ใช่เรื่องธรรมะรู้ไว้แต่อย่าไปยึดติด